สวัสดีค่ะเมื่อเราได้รู้แล้วว่าการก่อเกิดของดวงจิตนั้นก่อเกิดมาจากไหนและการก่อเกิดของแต่ละโลกนั้นก่อเกิดมาด้วยสภาวะธรรมของอะไรต่อจากนี้ก็จะเป็นหัวข้อธรรมที่ควรอิ่มน้อยเลือกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่สอ ต่อจากดวงจิตมาจากไหนเมื่อเราได้รู้แล้วว่าการก่อเกิดของดวงจิตนั้นก่อเกิดมาจากไหนเราก็มาหากันอีกว่าแล้วการก่อเกิดของมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกกับหนูว่าการเกิดมาของ คือการเกิดมาเพื่อหากำไรให้กับดวงจิตของตนทุกๆคนเกิดมาก็เหมือนการมาลงทุนทำการค้าเพื่อหากาไรไปสู่ดวงจิตของตนกำไรในนัที่นี้ก็จัดแยกออกมาจากการค้าขายที่เป็นเงินทอง ไรของดวงจิตนั้นคือการสร้างสมบูลบารมีเพื่อให้เลื่อนภูมิจิตของตนจากต่ำขึ้นไปสูงและจากสูงแล้วขึ้นให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหากการเกิดมาของมนุษย์เราเกิดมาแล้วไม่ได้ เป็นมนุษย์แล้วสร้างคุณงามความดีหากำไรให้กับดวงจิตของตนบุญกุศล น, นั้นคำ้ำหนุนดวงจิตให้เลื่อนสู่สภาวะของจิตที่เป็นภูมิจิตที่สูงกว่านั่นก็ถือเป็นผู้มีกรรม พอท่านยังมอกกับนวงี่ว่าการเกิดมาเป็นคนนั้นมีค่าแต่จะไม่มีค่าอะไรเลยหากว่าเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างบา ร, รมีไม่ได้สร้างกําไรให้กับดวงจิตของตนและยิ่งโดยเฉพาะหากดวงจิตใดที่เกิดมาแล้วสร้างแต่กรรมเชื่อทําแต่สิ่งไม่ดี ให้จิตของตนนั้นขาดทุนก็ย่อมจะไม่มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จงรีบเร่งสร้างบุญกุศลหากำไรให้กับตนด้วยกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่หลงอยู่กับสิ่งต่างๆและสร้างกับชั่วสร้างความทุกข์ให้กับตนเลย มีเวลาในการมาหากำไรไม่นานนักหรอกเดี๋ยวพวกเราก็จะหมดเวลากันแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงเรียบเร่งขวันขวายกำไรให้กับดวงจิตของตนให้เลื่อนกับบาวะ ที่คนเราเกิดมานั้นอาจมีภูมจิตมาต่างกันหรือไม่เท่ากันเช่นเดียวกับบางคนไปทำการค้ามีทุนไปอยู่เยอะจึงไม่ค่อยละบากเท่าไรแต่บางคนต้องกู้หนี้ยืมสินในการที่จะไปรีเริ่มการค้าจึงต้อง กำไรเพื่อไปชดใช้จ่ายหนี้สินเหล่านั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ดีหากเรารู้หน้าที่แล้วว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรก็จงตั้งใจทำหน้าที่ของตนหากเป็นหนี้เก่าอยู่ก็รีบเริ่มสร้างคุณงามความดีเพื่อไปชดใช้กับหนี้เก่านั้นให้จนหมดสิ้นและจึงจะได้บุญบา ร, รมีมาจาก สร้างสะสมเติมแต่เก็บเกี่ยวเอาไว้เพื่อเป็นพลังผัดดันดวงจินให้ไปสูงจุดที่สูงและใครก็ตามหากตนนั้นมีทุนของบุญกุศลมาเยอะในการมาค้ำนุนก็จงอย่าหลงในสิ่งที่มีจนทำให้ตนนั้นไม่มีสติในการค้าแล้วขาดทุนกลับไปนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็มีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นและลดลงได้ตามการกระทําของตนเกิดมาเป็นคนแล้วก็จงรีบเร่งหากำไรสร้างบุญกุศลให้กับตนนะจ๊ะ